ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นของสำคัญมากใครจะเก่งกาจอำนาจสักเพียงไหนก็าตามแต่ก็ต้องอยู่ใต้กรรมและผลของกรรมทั้งนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาอมอบให้ผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ตนสร้างขึ้นข้อนี้สำคัญมากเอาไปให้มันจบไั้ไหม แต่ปั๊บแต่แต่ยุดมันไรเงี้ยแตใหม้มันยึดซะอย่ะนะมันยุดอะไรย่งเงยมันยุดไี่ไหนอ๋อครับสมัยสมัยหลวงปู่มันเป็นนัสกสั่นละแต่สมัยดูสมัยนี่เฮ็ดนักสั่นบ่อยสําหรับโยมมาในติตต่างสีต้องเบิงข้าเจา้าข้าเจ้ากินจังไหนนอนจังไหนอยู่จังไหนต้องเบิงคือว่าใชมันมาปล อ, อดภัยพราะโจนผู้รายแม่ก็หลายองอสั่นว่า ข้าเจ้าช่วยจังไหนกินจังไหนอนจังไหนข้าเจ้ามาข้างขึ้น <Conse> น <leen> ั่มปลอดภัยจังไหนหรือไม่ปลอดภัยจังไหนมันต้องดูแลรักษาเมืมันมาขึ้นตะกี้ตะกี้มันสบายไม่มีโจรไม่มีผู้ล้ายพิสกันจานั้นล่ะเขาเห็นพระกรรมฐานก็ว่าพระพี่บอกผลตะกี้หัวเพราะไก่หัวก็ไม่ขามีคุ้นตั้งแต่หนังหลวงผู้หมันนี่พานแล้วนี่แล้ว จะกรกับเบอร์ได้ยินข่าวพนักเรียนภาวานาเ น, า น, น่สายนั้นสายนี้เบอร์ได้ยินหมอก็มาประชันขันแข่งกันว่างนี่รักว่างหลว ง, งพูมันนม่พลานในรอกพระนักเรียนกับฮัตพรวานาเขาตั้งกกตั้งเล่าเขาทุกทิศทุกทางเขานั่นมีประโยชน์แด้หลวงพูมันปุ๊กข้าวเนี่ยหลวงพูมันปุ๊บข้าวยู่กรุงเทพข้าวเนี่ยม่มีประโยชน์หลายแต่ได้เดี๋ยวนี้เบื่อจะสายพระกรรมฐานดีว่ดีเป็นพระปลอมก็มี แล้นนุกปลอมไปยืมนสะถนวนผลทางมุน่นขายพาระเล็กพระน้อยอลไรก็หลอกแพหลอกขอสารพัดเนี่ยนักเดี๋ยวผู้ดีกระโ thumb ป่ายมั่นเถอะผู้ดีร้ายผู้เสือมันก็ร้ายขืนนําคือกันอันเดียว่วงองท่านอรรถของในโลกอันนี้พลังคนพูดว่ายุบสไปยังกรรมฐานสัญยุกจังไหนยุบกรรมฐานในแต่โลกธาตหไม่จะกรรมฐานสัญญุกได้ห่ะ แก่ก็บตายกับมักรรมกัมมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื่ยอยอึนกระดูกแต่ลายยางเลยยางกับแนก ร, รมมฐานมดว่าสันต์ขมมันโมเที่ยงกับมัมงก ร, รมมาฐานได้แต่โรกธาตุเนีเป็นก ร, รมมฐานมืดยุบจังไรยุบกัมมาฐานยุบอะไรภัยบวชกบวชกัมมฐานเมืดพระวัดบ้านกบวชก ร, รมมฐานแกสาโลมานะขาทันตาตะโจแก่สาคือผมโลมาคือขนนะขาคือเล็บ ดันตาคือฝันตะโจคือหนังมังสังคือเนื้อตะโจถึงตะโจดันตานักขาโลมาเกศานี่ผมขนและฟันหนังเธอจงพิจารณาอกรรมาฐานทั้งนั้นล่างขนล่างเกียรติกรรมฐานล่างเกียรตกรรมฐานกับลังเกียกรติร เ, าาเจ้าของ ในสกน้ร่างกายจ้องกับมีในจ ก, กรรมฐานเนี่ยผมขนเล็บฟันนังเนือยเอระดูความแก้เก็บตายความเหม็นบูดมเหม็นล่าในสกร่างกายมันเนี่ยม็นกรรมฐานมัดมาสร้างกรรมฐานกับมีบยูแล้วในโรกอันนี้จคสปยนส่นละอง่านว่าผมก็แม่กรรมฐานขนก็แม่กรรมฐานเล็บกับแม่กรรมฐานนั่ น, น่ะ โยมโยมพระกรรมฐานทุหันเพื่อนไม่เโตจักไม่โยมอย่างั้นว่าท่าวพระวัดบ้านกระโจมตีพระวัดปลาพระกรรมฐานเน่ยเพราะว่าก็เจ้าของว่าเป็นกรรมฐานหมอสร้างว่าเนี่ยโยมกระแตกกันเป็นสองฝ่ายโยมกรรมฐานเพราะว่าก็โตจักไม่หยังกระผมขนกระฟั่นก็บไม่กรรมฐานคือกันกระแก่เก็บตายกับม่กรรมฐานขึ้นกันขี่ออกดาบกับไม่กรรมฐานคือกันว่าของท่นว่า นั่นนะเจ้าพรกัตวาเจือเที่ยงแ้วขันยมกรรมฐานพระกรรมฐานนี่สันสิกรรมฐานมืดเน่ยไตโรคธาตุโรกทั้งหกเนี่ยมันกรรมฐานมืดสังขารโรคโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโรคโลกคือแผ่นดินมนุษย์โรคได้แก่โรคที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโรคได้แก่จักรมาพระจักรหกชั้นพรหมโลคได้แก่รูปพรหมเจ็ชั้นและกับอรูปพรหมสี่ชั้นโลกทั้งหลายเหล่านี้ ย่นลงมาเป็นสังขารโลกสังขารลาปรามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งนั่นยอดของกรรมฐานรวมลงสี่นั่ น, น, นในใจโลกธาตุมันเป็นกรรมฐานหมดนั่ฐานะแปลว่าที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นได้แปรปวนนี่แตกสลายไปเรียกว่ากรรมฐานนั่นเรานอนเฝ้ากรรมฐานอยู่นะในประตูกรรมฐานอยู่นอกตัวเราไปอีกมันก็บ้าใหญ่เด็กพวกเรานั่น ฐานะแปลว่าที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นได้ก็แปลผลได้แต่สลายความเกิดก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันชานสีพิทุกขาความแก่ ก, ก็เป็นกรรมฐานชคระพิทุกขาความ เ, เป็นโรคพระญาติ พ, ทพิทุกขาก็กรรมฐานมันเขาตั้งฐานไว้เป็นโรคเพราะฐานนี่มันไปเบื่อโรคมันไปเบียดเบียดเบียนฐานฮความตายก็เป็นทุกข์นั่นตายก็กรรมฐาน ความประสบเ์สิ่ที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์กันกรรมฐานทางนั้นน่ะนะปรารถนาสิ่งอันใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ือนกรรมฐานฐานะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ ว, ปปวแปรอพวนนี่แจกสาหลายจเป็นกรรมฐานทางนั้นน่ะนี่โลดความดับตัณหาเป็นทำอันละเอียดอันนี้ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันอืเพราฐานที่ตั้งอยู่เป็นความดับตัณหา นิพพานก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันอุปัฏฐานุสติได้รึกถึงคุณของพระเนพานซึ่งเป็นที่ระงับสังขารกิเลสกองทุกนั่นพระเนผานก็ยังเป็นกรรมฐานอยู่นั่นสวรรค์ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเทวโลกพมโลกสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณครองสิงก็ดีหรือตอนไม้พระก้า ก, ก็เป็นกรรมฐานหมดพระเกิดขึ้นแควแต่สลายไปสิ่งไหนที่ไม่เกิดขึ้นที่ไม่แตกสลายก็เป็นกรรมฐานเหมือนกัน เช่นพระเนผานดังที่ว่ามาแล้วนั่ น, น, นเราต้องพิจารณาตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงจิ่งจะทิ้งความสงสัยของตนทำเป็นจริงเราปฏิบัติพระพุทธศาสนามันมีหลายชั้นเพราะเหตุใดจึงมีหลายชั้นเพราะจิตท่านผู้ใดอยู่ในระดับใดก็ต้องปฏิบัติตามระดับนั้นกรรมและผลของกรรมมีกําลังมากใครจะเจรยงกาดอํานาจสักเพียงไหนก็าตาม ก็ไม่เหนือกรรมและผลของกรรมได้จะดำบินบินบนไปก็ตามก็อยู่ใต้อำนาจกรรมและผลของกรรมจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกก็ตามให้คะแนนกันถูกหรือไม่ถูกก็ตามจะบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกหรือไม่ถูกก็ตามผลของกรรมยังตามสนองอยู่ผลของกรรมเป็นผู้ตัดสินอยู่ภายหลังจะดำน้ำทำก็ตาม จะทำในที่รับก็าตามผลของกรรมก็าตามสนองไม่ว่าบุญว่าบาปจะทำบุญในที่รับผลของกรรมาตามสนองจะทำบาปในที่รับผลของกรรมก็าตามสนองพระเวสสันดรไปทานลูกกัญหาชาลีอยู่ที่เขาเชรีวงกฏหนึ่งไม่มีใครไปอนุโมทนาด้วย ถึงอย่างนั้นก็ผลของกรรมก็ยังตามมาให้เป็นพระสมานพระพุทธเจ้าเราได้กราบได้ไว่าอยู่ย น, นผู้ไปทําผิดเหมือนกันดําน้ำทำก็ผิดถ้าทําผิดถ้าทําถูกดําน้ํำทำก็ถูกดําน้ำอยู่ภาวนาพุทโธนั่นมันก็ถูกเหมือนกันพุทโธพุทโธพุทโธเพราะแกงว่า เงือกเงือกเงือกจะมากินก็ภาวนาพุทโธนั่นมันก็เป็นบุญอยู่นั่ น, นบางท่านใกล้จะออกลูกก็ไปหาพระมารดน้ำมนต์เอาคาถาอังคุลยมานโจรว่ายะโตหาพระคินิอริยายชาติยายชาตัวนาวิชานาวิสันจิตจัปปานังชีวิตาวโรเวตา เส้นสัจจในสูตรท่เตห์หัตูสูตรทิขปะษะนั้นที่แปลเป็นใจความว่าแต่ข้าพเจ้าเป็นพระอรหันมา <Yeah. S 1> ไม่ได้มีเกตนาจะฆ่าสัตว์เลยขอคันของน้องจงคลอดสบายเถิดแปลเป็นคำใดงวาอย่างนั้นทีนี้เวลาเรามีท้องอยู่เราก็ไม่ต้องไปเอาน้ำมนต์มารดเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ เวลาเราปวดท้องมันก็ดีอยู่เหมือนกันไม่หาว่าแต่จะเอาน้ามน ม, มารดเวลาเราปวดท้องจะคลอดบุตรเราไม่ได้อังคะไม่ได้คาถาอังคุิมานโจรแล้วก็ภาวนาพุทโธวุทโธอยู่มันก็ดีเหมือนกันแม่หาแต่รดน้ามนอันนั้นเละยอดน้ามนภาวนานั่นเองเป็นยอดน้ามนสำหรับเรา เมื่อมีคนชั้นทงสูงมามาเยี่ยมสถานที่มีคนในคนหนึ่งขึ้นมาขอนนำมน์นะแมคัดใจเหลือเกินค่ะค่ะกบว่าเราเป็นผู้หากินนมน์มีคนชั้นทรงสูงมามาอยู่ในวัดด้วยมีคนมาขอนนำมน์ต่อหน้าแขกเราพออยากจะดำดินไปค่ค่ะกบว่าเราเป็นพระนนำมน์ละอายเขาเพราะเขาเป็นคนจิตสูงเออ แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมมีผู้มาขอน้า ม, มนตต่อหน้าท่านนี่นักไกแล้วเกินตอนนี้น้ ม, มน์พระบรมศาสดาก็ไม่ได้ตัดออกดอกแต่ว่าก่อนที่จะทำาน้า ม, มนต์นั้นก็ต้องอธิบายเขาฟังบ้างแต่อย่าหวังขวนข้าวข้ายาเขา ถ้าใครหวังขนข้าวค่ายาเขาเป็นอาบัตเป็นปาปะเป็นอเนสนาหาเอี่ยงชีดไม่สมควรก็ทำให้เขาโดยเมตตาสะแต่อธิบายให้เขาฟังท่านไม่ปิดนำมนต์พิชซูเป็นม้อยาท่านก็ไม่ปิดอยาหวังขนข้าวค่ายาเขาสวนว้าบัดเบอร์เบอร์เล็เกๆผาๆปิดเลยไม่ให้ทำ ทำนายทายทักอันอื่นก็เหมือนกันวันจมวันฟูอะไรปิดหมดวิยศาสตร์วิชาเสน่วิชาหงพอรวิชาอันนั้นอันนี้ท่านปิดหมดพระบรมาสตราสดเนพระวินัยปิดหมดอยากมีเสน่ห์ก็จงให้ทานอยากมีอายุยืนนานก็จงรักษาศีลไม่อยากหลงก็จงภาวนานั่นเป็นคาจริงอันนี้ พุทธธรรมสงฆ์เป็นมหาเสน่ห์แล้วเป็นมหานิยมแล้วเป็นมหาเสน่ห์ของนักปราชญ์เป็นมหานิยมของนักปราชญ์พุทธธรรมสงฆ์ทานศีลภาวนาก็เป็นเสน่ห์แล้วผู้ประพฤติดีก็เป็นเสน่ห์แล้วเสน่ห์ไปทางดีผู้ประพฤติชั่วเป็นเป็นเสน่ห์ไปทางพวกโจรพวกผู้ร้ายพวกเขาเคารพนับถือเพราะมามันใจถึงเพราะอย่างนั้นแต่คนเราใจถึงทุกๆกท่าน แต่ว่าใจถังถึงทางดีมันก็ต้องดีใจถึงทางชั่วมันก็ต้องชั่วเมลังวันก็ใจถึงทางมูดพูดเมลังพึ่งใจถึงทางเกสอนดอกไม้ใจถึงสองทางอันไหนมันดีเราก็ต้องเลือกเอานักเรามีอิสระอยู่แล้ว<ค><ณ>กรำใดใครก่อก็มโนจิต<ค><ณ>ใจของเรานั่นเองก่อขึ้น ผลของกรรมก็มาหาใจใครจะมาก่อกรรมดีหรือกรรมชั่วนอกจากจิตใจแล้วก็จิตใจของใครของมันละก่อขึ้นกรรมที่ดีก็เป็นกุศลกรรมที่ชั่วก็เป็นอกุศลส่วนพระอรหันต์ท่านไม่ก่อกรรมแล้วเพราะกรรมดีท่านก็สร้างพอแล้วกรรมชั่วท่านก็ละพอแล้วท่านก็ต้องทรงอยู่เหนือกรรมไป แต่เรากำรรดีก็ยังไม่พอกำชั่วก็ยังละไม่พอจำเป็นก็ต้องทำกุศลกรรมมีทานะะหมสีละหมภาวนาหมเป็นต้นทีนี่เวลา น, านานแล้วใช่ไหมเนี่ยท่านฟังอันนี้อยู่ก็นานแล้วเนี่ยพอเลิกกันแล้วหรือยังถ้าใครสงสัยในภาวนาก็ถามมา จะให้เทศเนี humans, ่ยเทศหมดคืนนี้มันก็ไม่หมดจะเอาทำมาวิปากมาเทศจะเอานิทานมาเทศเนี่ยมดคืนมันก็ไม่หมดเนี่ยะนิทานก็นิทานของเรานี่ยดิถ้าเราทําดีก็ได้เป็นนิทานดีถ้าเราทําชั่วก็เป็นนิทานชั่วนิทานเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นนิทานเรื่องท่านผู้อื่นแต่ว่านิทานของเราประวัติของเราประวัติทําดีหรือทําชั่วเราต้องตรวจดูอืประวัติคือก็คือประวัติดี ประวัติชั่วของเรามีไหมพระพุทธศาสนาบัญญัติดีถูกบัญญัติชั่วถูกศ า, าสนาอื่นบัญญัติไม่ค่อยถูกสิ่งที่ไม่ดีบัญญัติว่าดีก็มีสิ่งที่ดีบัญญัติว่าไม่ดีก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้พระพุทธศาสนาบัญญัติถูกพระสมานพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่เป็นหัวหน้าหมูทางบัญญัติถูกเดี๋อวทงนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้บัญญัติว่าสิ่งนี้ทําบาป มันเป็นบาปขนาดนั้นขนาดนี้สิ่งนี้ทําบุญก็ต้องเป็นบุญขนาดนั้นขนาดนี้จริงเผงไม่ไม่เหมือนพวกเราที่มีกิเลสบัญญัติขึ้นพวกเรามีกิเลสบัญญัติขึ้นชุราเมระยะกินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันก็เมาเป็นระยะระยะก็แต่มันเสียเวลาเป็นระยะระยะมันชิบหายเป็นระยะระยะ เราไม่พูดสักเพราะเราบัญญั ต, เ ต, เญญตไไิเข้าข้างตัวเราพระปรมาสารดาบัญญัติอะไรไม่ได้เข้าข้างตัวเข้าข้างทำจึงเรียกว่าธรรมาธิปไตยจึงเขารบธรรมพระปรมาสดารดาเขารบธรรมถ้าธรรมไม่มีอยู่ก่อนพระองค์เจ้าก็ไม่รู้จกักธรรมธรรมมีอยู่องก์กรมีอยู่มีอยู่ก่อนแล้วท่านจึงเขารบธรรมท่านจึงบัญญัติธรรม จึงเขารับทำพระธรรมทรงอยู่ที่ใจแต่ละท่านแต่ละบุคคลทำรีก็ทรงอยู่ที่ใจทำชั่วก็ทรงอยู่ที่ใจให้เลือกเฟ้นเสียก่อนจึงทําเสียเลยดีกว่านิสสัมมะกัลนานั้นคือโยให้เลือกเฟ้นเสียก่อนจึงทําดีจึงทําชั่วให้เลือกเฟ้นเสียก่อนจึงทําจึงดีถ้าหากว่าเราทําผิดแล้วเลือกเฟ้นแล้วก็ไม่ถึงกับนับชิพไม่ลุก ถ้าเราถ้าเราเลือกเฟ้ น, เ, นเราไปทํามันพลาดลงไปนับศีลไม่รุบตอนนั้นเพราะไม่มีประตูกแก่สมองหนึ่งหรือเปล่าท่านอ่านตั่งองนึงเลยเนาะต่อไปนี่ก็ด้วยเดชพระพุทธเจ้าทางหลายพระธรรมทางหลายพระอริยสงฆ์ทางหลายอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็มีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็น ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่เห็นเป็นของจริงมีอยู่ทุกการเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายจ้องประสบแต่ความสุขความเจริญในบรวรและพุทธศาสนาของพอระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกทุกด้านเธอสงเน่าผ้า ม่ า, า, า, า, ามันพุทธทะไรพุทธมหาพุทธวัดพุทธเบือพุทธน่าผานท่ามน่าผ่านสองเน่าผ่านเหมือนพุทธขี่ขานท่ามขี่ขาดสองขี่ขาดพุทธบริสุทธิ์ท่ามบริสุทธิ์สองบริสุทธิ์พุทธปัทนาความดีท่ามปัทนาควา้วดีสองปัทนาคว้วดี พุทนินพาลธรรมเนาสองเนปา น, น, านมันพุทธขีขข่ขาดธรรมขี่ขาดสองขี่ขาดพุทบริสุทธิท์ธรบริสุทธิ์สองบริสุทธิ์พุทธปัตนาความดีธรรมปัสนาความดีสองปัตนาความดีข อ, พพองพุทธธรผสงบันฑิตเนะี่ยคุณพอคุณแม่ของบัณฑิตเนะี่ เพื่อนท่านผู้มีพุ่นบว่ามันผีแน่ห ว, 1, ห ว, หวพุ่นพัดผลแน่มันว่าผีแน่ไปไปคว่ามรรเาก็บปรสาบุตเนยฮะ้าคนกันบก็้<า>่ยวานรอหยครับน่ะกน้ก อ, อ, อ, อ, งงนอจ้ะ นีเราสิวสายพระมที่เข้ามาสิวายหวายพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะโมแมสัพพุทธานั่งขอวายพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะโมเมสัพววพะัมาาามานั่งขอวอออายพระทัพทั้งหลายนะโมแมสัพพะสังขานั่งขอวายพระอายะสงทั้งหลายนะโมยมุตตายนั่งนะโมยมุตยิยหวเพื่อรู้นนท้กกน่นเดียวท่านก็บ่ได้บ่ได้เห็ดเงาเด้ เขอหัวใจพระใจพี่รกหัวใจพระไจพี่รถเขามาร่วมห่างเนี่ยือมูเลี่ยมูพันทองมาสั่นอีติปิโสพระคารวาจักโอ้พรควาปดขึ้นกับ่ะไรกับุทคนห้ามาทอดเ่าว่านอะไรไม้ห่อบริษหมดเเอาใจพนเอาต่แกน่ะนําคไครับพระพุทธทานั่งขอไหวพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขุท่เจ้าทั like ้งหลายมันสินับได้หม่ตั้งลานล้านหมดตั้งติ่วติเสลีวติวนโมแม่สัพพธรรมานั่งขอไหวท่านของพุนทเจ้าทั้งหลายนโมแมสัพพะสังฆานั่งขอไหวพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายของพุนเจ้าทั้งหลายเราท่านไหวเวิดแต่ลวงก่อแล้วก็นเลแต่เจาิมากถึงกระดิบนโมยุตานั่งนโมุยะไหวเพื่อรถพ่นมาเขาทัตัวทีไหวอยู่รถขึ้นกับเพื่อเพื่อควอยเดียวเท่านั้นที่เอาไนเอาเจาเร์ดเอาจ้วัร์ับวร์ดลอดมากเนา นโมเม่พพุทธานังกาบลงเคหนึ่งขอไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายอันท้าบอมานมาได้ได้ละันโมวิมุตตานังนโมวิมุติยา ข้าายถ้ามันลดพ่นมันหาประมาณว่าไม่ได้และก็เพื่อลดพ่นด้วยมันหาประมาณไม่ได้ด้วยกวย็วัวดท่านตัวฮเออจับบนเออจับบนแกนเหล็กบนเราไม่ส น, น, นิมนุ่นก็เข้าถากเท้าเหี้ยนถากมัดมือมัดรันเข้ากับ เ, เอาเอาน้อยเดียวท่นตัว กระมูกโตเห็ดอาหารเนเ็ด้สั่จตายไปนั่นกะเอามาใส <c broker age adder> ่ปากไอ้คนตัวเนีโม่จบก็ได้อาอนโมเม่นโมก็แปลว่าวายอยู่ในหันแล้วด้นโมเม่ก็แปลวายอยู่เนี่ยนโม่แปลว่าขอวายเม่แปลว่าขาไปเจ้าด้นโมแปลว่าข้อวายเน้่มันนโมอยู่ในหันแล้วนโมพระพุทธานั่งนโมเม่พะพมานังนโมเม่พรพคานังมันโม่ันอยู่หันแล้วว่าท่นนยน่ดพระกันใพิโรกเข้า วัจจส้วพวาวัจจส้วพักวาร่เอาเรื่องมัน่าอาพดแต่ว่าเหรผลกัแปลกันไรกันได้อยู่การง่อมกันกระเปีได้อยู่แต่ว่าหันเมื่อเหตกรมูออันนั้นเหตุแต่ห้าพูดอยวหาจะเอารายตัยกรอกหาห่จักกวไมอยู่กอกกันว่าุ่จักกวาหมอยู่หรอกเสดหลายส่วน้อยกับเพื่อพนิพานห้าก็มันเดียวอยู่หรอกหากจักวันหัตอยู่ละ เอาเฮกมูรักษามรรยายนี่เสียรักอนนะไรข้าเชี่ยวสวดตาปริยัตินี่วัดขึ้นเดงก็ระสุดเนี่ยนับจะซ้ำบทเทอัทวีขจ้าไปจนถึงลหลังย่างๆที่สยหุ่นจนถึงปุ๊บเทอนุสุทธิเจือทั้มเม่จนถึงๆๆๆจังจกขุมพิฆเฆ อ, อนาตารูปปาอนาตราหุ่นวัดขึ้นเด็กพรจกเนีมั่นนะมหาทจพสูตอกแล้ววัดขึ้นเด็กพจกมั่นนะ ส่นน้อส่วนร้า ย, ยก็วางเปล่าพันิพานวันเดียวเด้ยศลงมาหาพุทธโธรวมลงพุทธโธวันเดียววัดพรไตพิรอกว่าสัง่งกระโปรยันเดียดมันขึ้นอยู่กับความแยบคายของเฮาได้เดียร น, น, น, น, นี่เฮาถือว่าตีตีท่าดนินท่ามันแข็งเฮาถือวัาตีถือมัดโลกธาตุได้เลยมันขึน้นอยู่กับปัญญาเขาเลย นี่ทือว่าตีฮอดตอเม็กาถือว่าตีฮอตอเมดเที่ยวตอตพ่อหมโลกมันถือธาดดินธานหน้าธาตุไฟธาตโลดเหรอเนี่ยเมื่คืนนึนกับปุกหน้าข้องเขาเาด็ดหรือว่าไงแม่มาสั่งไปทางรัดเดี๋ยวจะรวมตัวนี่กาลังมันก็ไปทางรัดสตัตว เขก็เห็นว่าพระอาทิตย์ดวงเดียวซองออกม้ามงค์อดไตโลกทาตคนนี้คือการเขาก็ตีไม้ความเดียวสั่บอพราะพุทธเจ้าว่าด้สอนในห้องงูหมพรากรลวงว่าอะไรเนี่ยกำลังเฮานีนะกรวงว้าก็คือบุคคลพกนี้กำลังก่ะ็รวงว่ในวัดเนี่ยหอบในวัดแผ่นดินกำลังอยางกำลังปัญญาเนีกำลังสติกำลังปัญญามันสัตว์ในทันนี่ยทว่ว่ไในทัน เออนันบแต่ไปหน้าพี่แคหน้าเามีเกหลายโยเหตุแต่เขานับเม็ดเห็นเม็ดทรายเม็ดน้เม็ดแดเม็ดฝนเขากับนับดอยู่หนหน้าสองดินสามไฟสีร่มออหนึ่งดินหนึ่ง้ำานึไฟหนึ่งร่มเขากับนับร่มเป็นหนึ่งเขากับนับดอยู่เวนี่ยนั่งอ่าว่าในสันเ้ากมีกลียเหตุเขากนับใดได้อ่ปึงสองสามในตลาดตะโกตื้อติวสติวไฟไปนับเป่ว่า หรว่าคนเขานับคนลงมา <ique> เป็นหนึ่งคนเท่ากับว่าใช่แล้วเดี่ว่าได้สันน <c oughs> ับลง่าเป็นหนึ่งหนึ่งฐานดินนับให้ร่มนะตัวหนแง่ออกแง่ออกหนึ่งแง่ออกเป็นยจะสักว่าดินเดีนจะซักว่าน้าเดี๋จะสักว่าไฟเป็นจะซักว่าร่มเพรามันสัดเร่มันบุ่นคนว้าของท่นว่าเื่อนน่าประสมกันแน่เชิญเนี่ย ถัดดินดับที่หลังเขาแต่ว่าดับคือกระดูกมันจะเพื่อยที่หลังเขาเพื่อแล้วมันก็ไปเป็นดินของเก่าอ่ะล่ะไม่บอกสันว่าถ้าไปมันดับไปมันก็ไปไปหาเอาข้อมห่อนของมันของเก่ามันจะหาหมูมันถัดน้ามันดับไปมันก็ไปหาของเหลวของมันของเก่าถัดร่มมันดับจะเข้าไปก็ไปหาบนพัดไปม้าของหมูมันอ่ะล่ะบอกสันว่า ส่วนกิเลสกับปัญหาบาปนัะส่วนบุญกาปัญหาบุญพระคนณทางขาทูตพระนิพพานส่วนบมไม่กิเลสกับเงินพระนิพพานนะ่ะโอ้สาธุโอ้โอ้โอ้โ <t> อ้โอ้โอ้โ <t> อ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ลส้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โออ้โอ อ็ที่เเป็นไปวิถ้ามปย่อนว่าใส่เข้าไเยอนาลงใส่เอได้เออได้ครับไเนาะเพราะว่าเายังมีอได้ไหมตแล้วแตยอดใส่ียอใส่เทหเนะถือเนดได้เนาะยอใส่ทหใหมด่ะก ทุกกรสักคนละกายทุกไม่สองกายจะก็ ท, กทุกทุกทางกายเจตคิดทุกทุกทางใจที่แค่ไหนทุกข์ก็ไงสมมุติไทยความทะยอาทายา น, นมันกัด เ, เบาลงเมื่อสมมุติไทยเบาลงมัดมันก็จะเลื่อนไปได้ตัวนี่โหลดมันก็ทําเหมืแก็ควปได้ตัวมองฉันท่านใดหรือใ่เป็นการแทรกแงในท่ายยนท่านที่ท่นไหน เมือคิเรียนาเราบอกเรียนแขไ่ใรนะเห็นกระจุกท really <t S 2> ี่เข้าใปเหนตัวชัจว่าเข้าไปหย่อน่ใจใจพิจารณาทุกเมื่อเว้นอางนี้กจิตทำต่างกันเขาเป็นการจิตใจขันเข้าทำไรจิตเท่ากันทำไรเกี่ยวเรื่องด้กันขันเข้าจิตถือว่าจิตเป็นเข้าเข้าไป็นจิตกสังเกตเลียนกับประโยชน์ของิดทังจีตว่านี่ขันเข้าป่ะโยชน์ถือว่าจิตเป็นเราเราไป็ิตหนึ่เขาก็ตัดทั้งเี่วรียนตัดทั้งจิตออกจิตเข้ากับว่าเกี่เวเรียนก็ว่าทุกกัน เข้าพันจิน้าเขาลริ่ตอนเข้าพันไปเอาเล็กเข้าพันเพาจากไส้สนิมพันนี่เล็กกับสนิมมันเยอะนกไก่ขีดทั้งเล็กขีดทั้งสนิมมันจะหลักเลี้ยวตัวเออฮะไม่ใช่นันตตานันตาบอนันตาเลยมันถึมาเอาทําอันมันถึงมาเอาอันที่เล็กรายละเอียดออกเนยนันตาได้เองถ้ามันอื่นลบล่างอะไรนันตาเท่านั้นเทีร่างได้ นั่นละบ่นั่นละบ่คือหน้าลงสู้อนัตตาเลยอนัตตาได้สี่ทับไย่อัตตาคันคันอนัตตามีกำลังอัตตามันกระล่มเลาไล่เลยที่สำคัญมาตนว่มาตวว่าเราเขาว่าสารุคนคันอนัตตาอนัตตามีกำลังคันออนัตตาม่นมีกำลังมันก็ถือแพร์ตนี่ครับข้นมาตนมันกัดเข่งยังเข่งยังเขากูเขากูอยู่ท่นี้ที่แต่อนัตตาแข็งแรงอนัตตาชัดมันกับอัตตาออกนี้น่ะ ม้ตเจนั ja ่เหรโอคหรที่่องมงสนั้นงๆ้าีกันครอบอันนี้คจิตเป็นตัวตัวเป็นจิตมันมาด้สมผสมตัวขันว่าเนือควาจิตเป็นตัวตัวเป็นจิตแล้วส่องมองก็ส่อมองยาหัวมันเนี่ะติบแน่นบอนะก็มันยากคอบว่ายึดถือิดเป็นตนตนเป็นจิตที่ครอบยากคอบมันยากเพราะว่ากูของกูน่ะตัวนี้สําคัญ ท่นถือเอาวนของกู่นี่ยมันกินมีดงไม่ได้ยงก็บเรา้อะงท่านวะเข้าใจเราบ้างไหมเป็นเจ้าของในทุกเข้ามาเป็นจของในทุกเข้าเหมือนไปเป็นเจ้าของในทุกดวงท่านรถรถบ่ยอ้ว่าขันว่ากัว่างึนสองมือหรือบป่าขันว่างมือเรื่องมือึรองบบกบก๊าบไ่รูขัดว่างกัว่างสองมือหรล่วเรื่งลูกของยอะในมือมั่ง เอาไ ม, กออก ม, ม่กูเ่า้าางมึงรักเอาขอกูวาสันมื่อกี้กิจกรรมไหว้เนี่ยชื่อว่าใีรเขาเบิ้งเนียสดเขาจดเซียบบ่ข้อมดีความดีเขา้าห้องไหว้ผเป็นแผนกหนึ่งละบอว้ตัวห้องไหว้เป็นแผนกหนึ่งละบอหรือว่าของสันว่าวามตัวขเขามีห้อาไหว้แผนกนึ่งละบอบุญบุญก็เป็นทักว่าบุญนะบ่ไม่ซับตัวตนเราเขาเลยบาปก็เป็นทักว่าบาปเนี่ย บาปกี่เดียไปยื้อน้ำกันเด้่ยว่าท่านบุญกีเดที่ไปยืน้ากับว่าเป็นสุกขึกันอยู่นําอะไรอันี้กเดไปยอน้ำไหนยืนําไหนพระสักขาตุยื้นไหพระสวัสดิ์บันยืนําไหนพระสักขธาต้ามี่ยืน้ำไหนพระอนาคข้าม ra um> ี่นกเดบไปยืนพระลหันก็บอะไรบุญสือยนพระละหันก็บอะไรย้อนะไรย้อนพระหันพระลหันโบยึดถือบุญถือบาปไปอยังนี้โคตรปิดไปเลยนันสุภชิปัญโนช่วยายกฟ้ามี่เนี่ยยังยึดยึดบ มันย pues ังเยุดถืออยู่มันมั่นเต็มขันพัดสร้างเต็มแล้วพัดก็บวิทถือแล้ววันเนาะคืออานาตตาเพาท่านสัตว์พวกเนี่ยว่าท่านครับเพราะอรหันต์ผุนอนาตตาังสัตว์พระสกทาพระอนาคามีอานาตตาจงวันสัตว์ได้ไงยังยังสําคัญว่าเป็นผู้เลิศก็เนะเป็นผู้เลิศกาเขาสําคัญตัวเลิศก็เขาเป็นผู้เลิศก็เขาสําคัญตัวเสมอเขาเป็นผู้เลิศกาเขาสําคัญตัวว่าเลิศก็เขาไงนี่เอาสามพอแล้ว มำนาจเต้เป็นผู้เสมอเขาสาคันตัวเลยก็เขาเป็นผู้เสมอเขาสาคันตัวเสมอเขาําคันตัวเสมอเขากัเป็นกิเลสเท่ากันเป็นผู้เสมอเขาทากันสําคัญตัวเรียกว่าก็เขาอันนี้เป็นฮกคนนี้ขั้นนี้นี่เป็นผู้เรียกว่าก็เขาขั้นนี้สาคัญตัวเลยก็เขาเป็นผู้เรียกว่าเขาําคันตัวเสมอเขาเป็นผู้เรียกว่าเขาสําคัญตัวเรียกว่าก็เขาสำคัญตัวอย่างไหนยังนึงผิดทั้งนั้นหรืว่าอุษันว่าส่วนพระรหันสหลวงพ่อมีเหตุในสัตว์พระเจ้หาพระรหัสในนี้หลวงพ่มี พระพารหันอยู่นีูดรกมันมีเอมันมีบ้มีภูมาไ่ะไฮกภูเป็นคะแนพรหันลกภูกับบรับเรยพ่ะพรหันอยู่นี่พมีว่าขาสั่งว่าพารหันอยู่นี่พูมีเขามาย่องไหลกูเป็นพรหันลูกบรุตัวเลยมาย่องห้เป็นเดียวนี่กับบุรุเพราะพระพรหันอยู่นี่มีเนอันนี้ก็ธาตุดินซะผมขนแลบฟันหนังเนื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมามหัวใจตับพังผืดไตปอดไใหญ่ไน้อยอหานใหม่อ่านเก่า แทงผู้หลอกไว้ผมขนแรบฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกยันในกระดูกม้ามห้วใไก่ตับพังผืดไตปอดไตใหญ่ไ้น้อยอ่านใหม่อ่านเก่านี่ธาตุดินนี่นั่นพลาหันว่าธาตุดินเห็นไหมเมื่อนี่สเลปน้องเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลี่ยมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขพ่อน้ามูดนี่ธาตุน้ำนี่ แม่นพระรหัสด่วเจ้าถาดน้ําไฟที่ยังกายให้อุบุ่นไฟที่ยังกายให้ชุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนี่เจ้าเป็นธาตุไฟเจ้าเป็นพระรหัสด้วลมพัดขึ้นบ้างบนลมหายลมเลอะลม อ, อ้วลมพัดลมบงตามตวดออกกันลมท้ายลมออกกันแหอดหอดผายลมออกกระหอด ทายพัตนาอุตราออกลมพัดลมบางตํานี่ลมลมเจ้าเป็นพระหลังบ่หรออ๋อทีนี่ดินน้ําไฟลมนี่สุปเป็นกายร่วมกันเป็นกายเรียกว่าลูกนี่ความสวยอารมณ์ซุกทุกอุเบกขาเนี่ยเวทนาความสวยอารมณ์ซุกทุกอุเบกข า, าอ๋อ นี่เป็นกองเวทานานกองสัน ญ, ญาข้อมจำจำรูปจำเสียงจำกินจำรสจำโหตทัพระจำท่ามาร่มสัญญาสังขารข้อมงแต้งแหงกิ๊นี่เป็นสังขารเนี่ยไปทั้งดีบ้างทั้งแั่บ้างทั้งกลาบ้างเดียเอาพระาติิดอยว่าสังขารเนี่ยวิญญาณท่ญญ จักรโวิญญาณอาศัยรูปกระทบในตาเกิดความขึ้นในจักรวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรุ่ขึ้นในกตาวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรุ่งขึ้นในคณวิญญาณอาศัยรูปกระทบเล้เกิดความขึ้นเรียิวหาวิญญาณอาศัยผัสภาพกระทบกายเกิดความ่ขึ้นจากายวิญญาณอาศัยธรรมารมเกิดขึ้นกับใจเรียความโนวิญญาณนี่เป็นน้ามันี่ร่วมกันเป็นน้าหน้มั่งไปว่าซื้อมั่นี่อันนี้รูปปางแปล่รูปนี่นี่ว่ารูปประโลกกับว่านี่นี่ น al, travel, like ี่นามาโลกกว่าเนี่รูปประถ้ำกว่านี่นี่น่ามะถ้ำกว่าเนี่นี่รูปประคันกว่านี่นามะคันกว่าเนี่ยนี่รูปฝ้าอินซี่กว่านี่น่ามะอินซี่กว่าเนี่ยนี่รูปประธาต์กว่าเนี่ยน้ามะธาต์กว่านี่ยฮะนี่รูปประธาต์เป็นเป็นพระลหันบอบแมเนหน้ามธาตเป็นพระหันบอกับบอมเนไงรูปประโลกเป็นพระลหันบอกับบแมเอนเอารูปประโลกเป็นพระลหันบอกับบแมเนนี่พวกนี้อันนี้จังทุกครังอนัตตาถงว่านี่เกิขึ้นหน้าแป๊ เจ้าเกิดผแตกปวดแตกจะไรสิจะไม่เป็นพรังหันอมักับบุนวัี่ยจ้มาหาพระงงนนี่นีนะวาพิจารณาแบบรู้จักาลังดนอืมสาติตในผมในคนร่องวมีติมมีเติบอมถ้าจะอมบางพอรนนั่นละบอ๊ะนั่นี่พรลบวันนี้นักมวยนักนักนักมวยไทยต้องลบนี้วันนีพญามกะ พระอรหันต์ตายแล้วศูนย์นะท่นโอ้ใช้ไปแก้กบฏใช้ก็ไปแก้กะบฏตกว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ใช้ไปแก้กะบฏตกสื่อนักกิเลนดีมากภาษาในบุตรภาษาในบุตรประทามเธอสาคัญยังไงเธอเห็นว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์เธอเข้าใจว่าขันห้านี่เป็นพระอรหันต์หรือดูขันหนาขันไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอเข้าใจว่าขันอื่นเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นขอให้เธอ หาพระลหันในขั้นห้าดูสิหาอะไรฮะนี่นี่กระทัดดินนี่กระทัดน้านี่ก็ะทัดไพล่นี่ก็ะทัดล้มผว่าเห็นอะไระเนี่ยพระละหันนี่ก็ระทะชนะนี่ก็สัญญานี่ก็สังขารนี่กระวิญญาณนะผม่าเห็นอะไรเห็นไหมล่ะไม่เห็นพระเจ้าค่าถ้าเธอไม่เห็นพระละหันในขั้นห้าแล้วเธอจะพยยืนยันว่าพระลหันตายแล้วศูนย์มันจะถูกไหมล่ะไม่ถูกพระเจ้าค่าเดี๋ยวนี้สว่างในใจแล้วพระเจ้าค่า ถ้าเขาถามว่าพระอหันตายแล้วไปเกิดที่ไหนท่านจะตอบเขายัางไงก็ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วเอโอดีละดีละดีละน่ะเข้าใจว่ า, านะะะนอะนไรบอกข้องได้ เพื่อรมาอนาตานี่ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนตา่าหมายถึงโลกียะด้วยหมายถึงโลกุตระด้วยด้ไงอ๋อไงท่านอนัต็านตามดอนาตามดอว่าปฏิบัติผลผลววัตอีกได้หอนตตาพ่าตุผกไมออนตตาเนเ่ยผลกออนตตาเนี่ยอพระสวดิวันอาตตาพระสกทาข้ามีอนาตตาพระนาขามีการนตาพระอรหันกนตาได้ไ อนัตตามันมีหลายอนัตตาเนี่ยอนัตตาพระสวัสดิวันอนัตตาพระทาข้ามีอนัตตาพระอานาคามี่อนัตตาพระนอาหัพระนอาหารเป็นอนัตตาที่คนหมด่านี้ฮะเนี่พวกโรคกีฮะนี่พวกโรกีก็คือกันเ่พวกมรรหกทัพย์จีรชาสเปตัสวรกายกันนะอนัตตาคือกันอนัตตาสู้นี่เป็นคันเว้นเนีนี่เว้นอนัตตาสู้นี่เว้นอนัตตาสู้นี่เป็นอนัตตาที่ควรนจะเลื่อนใคมันให้มันเกิดมันไม่ได้เนี่อนัตตาสู้นี่อนัตตาคน บาเป็นอนัตตาที่กน้นเว้นบุญเป็นอนัตตาทกว น, นกระเริ่มมรรคผลในผ่านเป็นอนัตตาที่ทาให้แช่เข้าใจเราบ้างไหมเข้าใจบ่งานหลงงอ้ะแรกค น, นพ่อแ ม, อนเนออ ม, ม่เนี่ยตัวน้อยๆหลงงมาเลยเนี่ยแม่บ่เอ้อสิละไม่ว่าซ้ำนัน ก, กับว่าเข้าใจเลยอ่ะมันลลงงกันที่ไ ห้ม so, ูือเข้าเเอาอนัตตาว่าเป็นตรงข้ามกันเอาอนัตตาเขาอนัตตาว่าเป็นตรงข้ามกันสมาไมแช่ควบหลงของห้าเป็นตรงข้ามจะของหนึ่งซื้อได้เนี่ยบอกสั่เอาอนัตตากับอัตตามามาเป็นตรงข้ามกันเยเอาลูกกับหน้ามาเป็นตรงข้ามกันเอาพระอรหันต์กับขันหามาเป็นตรงข้ามนะมันก็ของยากบอกสั่ว่าเข้าใจหรือเปล่าไหนใบ่ใช่เออ สติสสปัฏฐานสี่ากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนากายานุปัสนาเป็นรูปขันเนยเวทนาคิตาธรรมาเป็นนามขันเนี่อันเก้าอะไรนี่พิจนาการเป็นอารมณ์ว่ากายนี้เขาสักว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนาน่พิจณากายต้องส่วนหน้าตาแน่ พิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข e, ์เป um <magic> <board> ็นอารมณ์ว่าเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สั์บุคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนาโฆษณาพิจารณาใจที่เศ้ามองหรือผ่องแพออกเป็นอารมณ์ว่าใจเนี่ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตจบุคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตามโฆษณาพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลบางที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมเนี่ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัจตุคุณตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสสนาตกลงก็เลยพิจารณาอนัตตาจักขงอนัตตาตาไม่ใช่ตัวตน รูปปาอนตารูปไม่ใช่ตัวตนโสตังอนาตาหูไม่ใช่ตัวตนศรัทธาอนาตาเสียวไม่ใช่ตัวตนขานังอนาตาจมูกไม่ใช่ตัวตนคันธาอนาต่ากลิ่นไม่ใช่ตัวตนรสษาอนาตาลีดไม่ใช่ตัวตนเชี่วหาอนาตาลีดไม่ใช่ตัวตนรากษาอนตารถไม่ใช่ตัวตน ขอตังอนาตาหูไม่ใช่ตัวตนทรัพาอนาตาเสียงไม่ใช่ตัวตนกายโอนาตากายไม่ใช่ตัวตนโหดัพยาณตาโหดทรัพไม่ใช่ตัวตนโัพยาที่เขาหมผ่าเียโหดัพาที่มันลายเล่นโหดรัพยาเมู่โตไปโหทรัพกับผู้เฒ่า่น่ยนันนะจอดบอกลายเล่นคันทาไปเป็นเระเป็นอวัตปารสิกนั่นขัพิเศษน่ะ นโนอนัตตาธรรมะอนัตตานะหมวดหมูันี้ก็อันเดียวกันแล้วอาตยตาอนตาคตาอนัตตาปัจจุปนาอนัตตาอดีตก็ด้ปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ด้ปัจจุันังอักังวาภาิตาวาโอาิกัรวาตุคูมังวาหนาวาปณิตังวายันตุเรสเกตว่าสังูปังเนตังมะเนสหะมะตมิเนสุอัตตาเองนตังาาูตังตัมมาปัญญาาตัตตังลูปอดีูปนาคตลูปจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนก็เป็นทศวรูป เวทนาอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งเที่ยไกลด้วยทั้งเทีใกล้ด้วยทั้งหยติด้วยทั้งประณด้วยทั้งละเอียดด้วยลงสู่อนัตตาเอวังปัสังพิคเวสุตวาริยะสาวะโภรูปัตมิญเปรียบินนัติก็นายรูปเวทนายักเปรียบินนัตติก็นายเวทนาสัญญายักเปรียบินนัติก็นายความจําสังขาราเปรียบินเปรียบินนัตติก็นายรูปเวทนาสัญญาสังขารเืีนยานเมื่อนายก็รู้ว่าหายก็รู้จากว่าคพ้น พ็พ่อมาจันได้อยู่จบแล้วสิ่งที่จะทำอีกไม่มีนักพระพุเจ้าสอนารควบเกาห้าไร้ควบไม่ไม่ได้ใส่มาควบเกาขนัทั้งหลายก่หลงว่าอนัตตาเป็นตนหลงว่าตนเป็นอนัตตาหลงว่าอัตตาเป็นตนตนเป็นอัตตาเรื่องทแา้วนี้ยหรหามาึนเน่ลแไปฮะอันเนึง อ, นนงองรันหัอรัดป้องเรื่อไปป้องนงรื่องยุ่ก้ปยยอมยุ่ง กี่หรายยเง้ยคนกี่หลายเนี่ี่หายเนี่ยนอืมันอาศัยมันอาศัยความพี่นาเนืองเนื่องเนให้มันสัตว์เนอาศัยให้มันสัตว์อาศัยพี่กน้าเนืองเนื่องเนยเอาร่องหายใจเข้าคางหนึ่งสีมันรวมบปลยเรื่องที่นด้มันรวมไปมันอยู่ในกรรมอื่นเรามันเป็นอันนี้ังทุกคังอาตา พ่อเราบรรยาตว่าตนรบมันกายว่าเป็นกลางร่มพาะเราบรรยัติกลางร่มก็ยเป็นมาตายเป็นถ่ายร่มนะพอพรางบรรยัติข้มนี้อมเมาเยอะยวนี้น่ะเป็นชั้นที่หนงสมเมาชั้นที่สองนีมว่าเป็นสองข้วมมาสิวัจจักเป็นค้อมไหนข้อมเก่ายมันมันก็มีมันก็มีคข้มเก่าหรอหน่อยะรอัจักมันอันใดเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลือคือหายใจออกนี่สิวัจจักมันอันใดกรอนในร่างว่มันกับบุนว่ายงนี่เท่านีรคือขอัเนาะ ก็อง่้ามหามก้ามดอ่านีเก็อขาก็อดใจเอยนินงนะรู้ว่านั้นเราไม่รู้สอาถึงเศ้าเอกเัจะฟ้งดีกว่า่านีเสียงปวดถึงแม้งี่เ่าแม่วนีคิดเกี่่าม้าไม่ฟังว่าแต่ว่าไอ้ก็เป็นแรงานเนียยงเสรจ้อขนองมันเราเป็นัสั้นหน้าเอ้ยพวกมัหามันกับไม่ารแนี่ยอยู่พมมัสี่หนึ่งเมตตาความรักให้ปัดสาวะท่าให้เป็นสุขเท่าเมตตาเขาเดี่ย เมื่อเขาเห็นเขา ต, กตกากุกทุกข์หนักหนกรุณาความสงสารช่วยช่วยพนทุกข์เมื่อเขาทำถูกเมื่อเหตตาความพออย่ใจดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาความวางเฉยไม่ในใจไม่ใสีใจมา่ผู้อื่นถึงความไม่พัดเมื่อมันเหลือเบี้ยใส่เราเมตตาเขาก็เมตตาแล้วตอนไหนกรุณาเขาก็กรุณาแล้วตอนนี้า น, ะ า, นะนาสงสารเขกาก็กรุณานาสงสารเขาก็กรุณาเพื่อให้มันคนทุกข์ให้มันเข่าใจผิดมันเข่าใจผิดจากไหนมันกรุณาจากไหนมันเข่าใจถึกให้มันเหลื่อมใส่ในพะุทธศาสนา แต่เป็นแปลของแปลอย่างเง้ยคือตัวเองมันก็ำมูลเนี่นว่าท่านเจ้าโลกโกรธไอ้ซนโลกมันไปตามกรรมยุ่นี่เขาก็มยไปกรรมของท่านกรรมของท่านหนอตอนน่ะเขาไปตอนน่ะเขากับกรรมของเข้าหนอตอนน่ะขโมยไปตามกรรมท่านน่ะให้นี่เข้าเขาใจให้ทีได้เดี๋ยวนี้ว <ấn" S 1> ิสาในพระพุทธเจ้าสอนบัดแล้วว่าฉันเข้าว่าดีกับเป็นเรื่องของเข้าฉันเข้ากับวายเข้าเยอ ยังเจ้าวิชาเนี่ยเองพระพุทธเจ้าก็สอนในสันทภาวสิวิชาเนี่ยวิชาหมาสัตว์วิชาหมามันสอนง่ายๆเราไปคิดขี่สัตว์สันวิชาวิชาดีพระพุทธเจ้าสอนหมือเดียร์เาบดีก็เป็นเรื่องของเราสันเข้าสอนเข้ายังจ้วิชาหมาพบอดีสอน่วิชาหาอยางบอกไปคิดขี่ัวจบไปง่ายสัตว์มะวาสิเาถือวาสิได้เดียร์ถือพระพุทธเจ้าสอนหมเดียเขาเอาหรือ่เอาไปเรื่องของเขา และก็ถือว่าคาสอนของพุทธเจา้าเนี่มันเหนือคาสอนทั้งหลายลเน่ยเหนือคาสอนในโลกทั้งปวงถือว่าคาสอนของพุทธเจาเ้าเหนือคาสอนในโลกทั้งปวงาการเลื่อมใสพุทธเจา้ามันจะผูกเสื้อไว้มันกับุิโยเสวางเลยมันิะมีผู้หาไว้มันกับพฟังสเสว่าเอันนี้มันเข้าใจว่าคาสอนออื่นมันสิดีก็พุทธเจา้ายทิที่ละมนยากยุนเลยมันจกว่าอ้หูกูจะไปแบบนั่นนอะเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่ควรอินขึ้นสิดีถ้าเพราะว่าไปหาแม่ควอินเนื่องจากว่าอันเรื่องสียึดนำขึ้นสิดีก็พุทธ แน่นบ่เข้าใจแล้วต้ห้ามเลยนั่นกรเทาเข้าใจว่าคาสอนพระเจ้าเนื้อผู้คนทัาปวงเราบันสีมีงานหนักอยงสันข้าปฏิบัติได้พันกับม่ต้องเท้าสอนตัวสางห้องเสรแ่นบ่าผสมใส่คาสอนเพ่อยู่ที่เพ่นเนายังมาไปิดตัวเพื่อนวัยาตาบข้าอยตีกูเรียร์เรีกมห้างเชี่ยมกันได้ยู่นเน่เ่ คต้องไปเชื่อหนูเอ๊บอ่อันรี้ผู้อื่นมันเป็นสั้งที่สองได้นั่งได้นี่มันมาเกิดมาพลาดทากษสอนเอาที่ซื้อได้เื่นห้าจะเป็นแบกผู้อื่นหลายกว่าห้ามันกับอะไรขึ้นกันเนยอ่ะสู้มือไหนขึ้นกันเลยอ่ะการสอนมู่สอนเพื่อนห้ากับไวเป็นแค่สอง้เนี่ยสำหรับจะาของตั้งหากได้เนี่ยเออรู้เอาขอท่านว่าการว่าก็มู่ก็เพื่อนก็ได้ว่า ก็เสันที่สองจังมู่โตมหาห้อ้อเขาบอก่ลี้นึกว่าเป็นงานสั่นที่นึงนี่งานที่นึงสั่นที่นึ่งนี่ทจับของไม่ได้านเนาะทิ้งนั้นมาเกิดมาผ่านก็ดแค่ไปตามเรือยังไม่เกิดิ้งที่มันเกิดมันผ่าดเนาะบางที่เข้าไปปัดมันทับกับนีเข้าเข้าไปเข้าไปสูมันทับกับนี่จริงที่มันมาเกิดมาผ่านเนาะอันนี้เขาปัดมือรุ่นนี่มันก็ทับเข้าเนี่ยเขามาลงมาหามู่โตแม่นหรอหนักเรียนไหวจะเข้าป่วยไม่รนหรอนัก ยังไม่คันอกกันได้ไมหมอยังจะบครูคู่ยังบ่ตัวนี้เนียดแต่มันอยากครูคู่ยังบ่ตกใจบ่ ขั้นสูงที่เอาจิตไปภายในผ่านด้วยนะี่ว่พอเนพ่านผ่านมันต้องทิ้งใโลกพ่ได้จิตอ่ะนันสิแบกิไปสู่ภานยนา น, นพนภน่านตายอตายตา ย, า, ยก า, ากจัะเอาจิไปก็ทิ้ในนรกไปตัวอบอ่เขาท่านว่ า, ป า, าเป็นัของสู่ภายใน่านื้อได้จิเนี่ยคือเขาคี่คเหิอนอ่ะไปถึงฟังเราหองิแบกคือไปตลาดนําบอะมายายาเลยเออ สำคัญว่าจิตเป็นตนเป็นจิตะมันเรื่องมันมากดเื่องเนี่ยสำคัญว่าผู้รู้เป็นตนเป็นผู้รู้แมันเรื่องมันมากวเื่องเนี่วันหมันมยอมดวยเนี่คำนี้ผู้มันผ่รู้พันกูว่าสัตว ja, ์ตั fun, so people, o, ้วอะไรเนี่ยไม่นะกแคเดียนว่าผู้รู้เป็นตนเป็นผู้รู้เรื่องผู้รู้มันกลับไม่มาก ท่นยืนยันว่าจิตกันตนแต่มันจ็ตเรื่องจิตของจิตมันคานี่มากหรืว่างในสันอืทธ์จิตกันจะทราบว่าจ็ตพูรุษกันจะทว่าพุรุเนี่ยพุทธกับปอยให้ว่างอย่เดียก็ว่างระหว่างต่างจิตต่างพุรุษมันกับจิตก่างมันจะเข้ามาจิตว่างมันก็เป็นสันตัท่านวิทย์จิตเนี่ยผู้ยึดถือเป็นเจ้าของมันสิว่างยังไหนสัพพูรุษไม่ผู้ยึดถือเป็นเจ้าของมันสิว่างยังไหนสันเอาตัวกูของกูเนี่ยพุทธทาสเพิ่งนำอยู่พิตรแมนความเพลินตัวกูของกูถ้าตัวกูไม่มีของกูก็ไม่มีนั่น ระเบิดอันลูกระเบิดอันเขามาทีมสองลูกครัตัวเขามาทีมไต่ยปุนนึ่งน้องฟางฟางอ่ะฮะมีอิกานี่ลูกเบิดระเบิดง่ายละตัวกูของกูนี่ลูกระเบิดไ่ายเลยคัดทีมตัวกูกับของกูอ่ะท่านผู้เขากับผูเล่าเนี่ยมันสาคัญมันขามยากผูเขากับผู้เราก็ตัวกูของกูเน่ยมันอันเดียวกันท่านเนาะมันขามยากขามผูเขาผูเล่าระเบิดพันธุ์พันธท่านยของท่านขามตัวกูของกูเบิดพันธุ์พันธท่านเลยที่ว่าในสรุ ไม่ได้บอกมันขามว่าไรอันที่หรอฮขาตัวกูของกูนี่ไปเอาเครื่องบินมาขามมร่มมันขว่าไรล่ะคืนนั่งเครื่องบินกับว่าตัวกูข้องกูอย่รวงนัไปหอดีได้ก็ยังว่าตัวกูข้องกูอย่นีขามตัวกูข้องกูใส่ผ้าปั่ญาเนี่อยากว่าสถิติพาปัญนยาเนี่ยทําไปมันธย่าผ้ะสถิติผ้าปั่ยเนี่ย มันเกลียไม่ได้เล็กหน่อยมู้นี่มันสนใจเล็กกว่าพอดีกับพ่อแล้วเยอะเลยเล็กน่อยมู้นี่พอแล้วเยอะเลยเล็กกว่าพอดีต้องฟัอยังไงฮะเล็กน่อยมู้นี่พ่อแล้วอยู่